ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิจัยศีประทุมกำลังนำเสนอปรรมะเดชะพล ส, สูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยพรสัพพลพายานและเวสารัชยานของพระผู้มีพระภาคจากพระสูตรนี้เนื่องจากมีศัพ ธรรมะในหลายสับซึ่งจำเป็นจะต้องอา ธ, าธิบายขยายความออกไปก็มีจีพิสดารตามสมควรวนกองก็ได้พูดถึงเรื่องของขันห้าจะทรงแสดงถึงตัวของขันห้าแต่ละองค์แต่ละข้อแล้วก็เหตุเกิดของขันห้าแล้วก็ความดับแห่งขันห้า และก็ส่ยแยกแสดงทีละขอ้อเพื่อฝึกให้บุคคลใช้ความเพียรสติสมชัญญาะระลึกรู้่ทั้งสามจังหวะของขันธ์ทั้งห้าคือทั้งตัวขันธ์ห้าตัวเหตุเกิดและก็ตัวความดับในข้อต่อไปส่งแสดงว่าในช่วงต่อไปนะเหตุนี้เมื่อปัจจัยนี้มีอยู่ วันนี้ย่อมมีเพราะการบังเกิดขึ้นแห่งปัจจัยนี้วนันี้จึงบังเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยนี้ไม่มีอยู่วันนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับแห่งปัจจัยนี้ผลจึงดับข้อนี้คือก็ส่งแสดงเรื่องปฏิจจสมุปบาทสายเกิดต่อไป ก็ตามหลักที่เราผ่านมาแล้วหลายๆประสูตรคือสูตรมันก็เป็นอย่างนี้ทุกที่แหละมาความมถธาปฏิจกสมบัตเต็มยศแล้วก็สแสดงอย่างเนี้ยเพียงแต่ว่าจ ะ, สะแสดงหัวไปหาปลายหรือว่าจากปลายมาหาหัวแต่ซึ่งก็มีทั้งสองแบบแมาความมาธาแสดงจากหัวเลยก็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 เพราเกิดชาติเนี่ยมันก็ประกอบด้วยชรามน ส, สขขโขค า, าตุเทวทุกขะโทมนาทุกรายาต่อไปเป็นแถวไปในแง่ของความจริงกระบวนการของความทุกข์ตอนปลายคือจดเกิดไปเนี่ยมันก็วิลธรรมที่ส่งจำแนกแสดงไว้ในรูปแบบต่างๆอีกเยอะมากเพราะว่าอาการของความทุกข์ที่ปรากฏในชีวิตของคนเนี่ยมันเยอะมาก อย่างเช่นตัวอย่างที่เราจะต้องเผชิญกับเขาอยู่ประจำก็คือความหนาวความร้อนความหิวความกระหายการปวดตุจยราปวดปัสสาวะง่วงนอนแก่เจ็บตายนี่เราก็ต้องเผชิญก็อยู่อยู่ตลอดการปวดเมื่อยการปรับเปี่ยนในยาบทอะไรเนี่ยต่างๆแล้วนั้นก็คือเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากเกิด ก็จะทรงแสดงเฉพาะตัวเหตุหลักๆที่บางครั้งเราอาจจะเจอว่าเป็นการพูดมาจากชรามรณะหมายความมาเพราะมีความแก่เพราะความเพราะชรามีมรณะจึงมีเพราะมรณะมีนะชาติจึงมีเพราะชาติมี พบจึงมีประพบมีประธานจึงมีประธานมีสัญหาจึงมีสัญหามีเวทนามีก็ย้อนกลับขึ้นไปเที่ยวิชาแต่ที่นี้อย่าลืมว่ามันเป็นโครงสร้างโครงสร้างที่สรงแสดงถึงกระบวนการของเหตุปัจจัยหมายความมาเมื่อปัจจัยอย่างนี้เกิดขึ้นแต่สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้น เมื่อปัจจัยอย่างนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่มียกตัวอย่างในองค์ธรรมที่เราคุ้นๆ ก, กันจะดูกันง่ายๆตีต่างว่าสมมติว่านะสมมติว่าคนไม่เคารพสิทธิในชีวิตของกันและกันถามว่าเขาจะเคารพสิทธิในทรัพย์สินหรือไม่ ก็ตอบว่าไม่เพราะว่าชีวิตเป็นใหญ่กว่าทรัพย์สินทั้งเยอะเขาไม่ยอมรับเลยแล้วเขาจะยอมรับสิทธิของทรัพย์สินได้ยังไงทีนี้เมื่อเขาไม่ยอมรับสิทธิในทรัพย์สินถามว่าเขาจะยอมรับสิทธิในคู่ครองก็ได้ไหมก็ยิงไม่ได้เพราะว่าคู่ครองมันก็เล็กกว่าทรัพย์สินในฐานะที่เกี่ยวกับประเวณีนะฮะมันเล็กกว่าทรัพย์สิน แต่ในฐานะเป็นตัวตนคือตัวของผู้ครองจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามมันก็เป็นเรื่องของปราราฏิบาตไปแล้วค่อยอจ่เคารพจิทธิในการสื่อสารด้วยความสุจริตหรือไม่เราก็ตอบว่าไม่ได้วยแม้แต่ข้อสุรากขเขาก็ละเมิด นั่นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยกระบวนการที่ถูกต้องต่างๆเนี่ยมันจะไม่เกิดทีนี้เราก็มาพูดถึงระดับศีลคือเอาสองช่วงนะช่วงแรกในพูดถึงช่วงระดับสํารวมระวังหมายความสํารวมระวังจิตของตัวเองไม่ให้เกิดความยิน ด, ดียินร้ายเวลาสัมผัสกับอารมณ์ ถามว่าเขาจะสํารวมระวังในชีวิตของบุคคลอื่นไหมก็เก่ยวมาสำรวมระวังสํารวมเมื่อเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินคน อ, อื่นไหมก็สํารวมระวังสํารวมระวังเมื่อเกี่ยวขอ้ของกับคู่ค ร, ร, มม อ, รองคนอื่นไหมก็สํารวมสํารวมเมื่อพู้จะสื่อสารกับบุคคลอื่นไหมก็สํารวมแล้วสํารวมที่จะไม่เสพสิ่งเสพติดหรือไม่ เราก็ตอบปะก็สำรวจแต่ตรงนี้อาจจะไม่หนักแน่นพออาจจะมีเพื่อนมาชวนเช้าซีขอร้องให้ดื่มสักครั้งหนึ่งอะไระไต่างๆก็จะแกวงได้นั่นก็สแสดงว่าเมื่อมันมีที่จุดเริ่มต้นที่ดีอยู่ที่สำรวมระหวังสำรวมระวังขนาดสิ้นสังวรเนี่ยแน่นอนก็ไปแล้ว เพราะว่าอีกสี่ข้อมันก็เป็นศีลแต่นี้เราพูดถึงระดับสํารวมระวังเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นคือใจมันไม่เกิดความยินดียินร้ายใจที่เป็นอย่างนั้นจะไม่ทำชั่วเรอบเพราะทำชั่วมันเกิดจากกิเลสประเภทโลภะหรือประเภทโทสะการยินดีมันก็มาจากโลภะโทสะไม่ใช่ มาจากโลกภะมามาจากราคะมาจากรติอะไรต่างๆยินรด้มันก็กลายเป็นโทสะทีนี้เมื่อการของโลภะโทสะมันไม่มีมันไม่เด็ดไม่ปรากฏไม่ถึงไี่จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการละเมิดการประพฤติกระทําในทางที่ไม่ถูกต้องได้การบัตรอย่างนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นทีนี้เรามามองถึงถึงระดับ ดับสมบูรณ์ของจิตที่มีต่อชีวิตอย่างสมบูรณ์หมายความมีจิตคิดอนุเคราะห์ต่อบุคคลอื่นเรามีเมตตาเอ็นดูก็แล้วกันมีเมตตาเอ็นดูต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายการงดเว้นจากศีลอีกสข้อเนี่ยมันไปเองโดยอันตโนมัติหมายความว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิด แล้วความคิดที่จะไปฆ่าเนี่ยมันไม่เกิดเพราะว่าจิตมันมีเมตไตรดูอยู่นั้นก็แสดงว่าสำคัญอยู่ที่ตัวเหตุว่าอะไรเป็นต้นเหตุอย่างปฏิจจาสบาทะสายเกิดเนี่ยมันเริ่มจากนาวิชาเป็นเหตุแล้วก็ในส่วนตอนปลาย เราก็ดูคล้ายๆกับว่าชรามะจะเป็นเหตุแต่ว่าชรามณมันเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากชาติชาติก็เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากภพภพก็เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากอุปาทานปาทานก็เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากตัญหาตัญหาก็เป็นผลที่จะเกิดขึ้นมาจากเวทนา แลีวในขณะเดียวกันพวกนี้มันเป็นผลเป็นเหตุกันได้เพราะว่าตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนาได้อยากได้สัมผัสอารมณ์อย่างหนึ่งไปเจอสัมผัสอารมณ์อย่างหนึ่งเราก็เกิดทุกขเวทนาโืยอยากสัมผัสอารมณ์อย่างหนึ่งแล้วก็ได้ตามที่เราต้องการเราก็เกิดสุขเวทนาคือหมายความว่าพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นปัจจัยของกันและกันได้ ะอะไรเป็นเหตุเป็นผลก็ได้แต่ว่าพอเรานับจากช่วงข้างล่างมาเนี่ยก็แสดงว่าปัญหามันก็เป็นผลถึงสืบเนื่องมาจากมีเวทนาหมายความมาถ้าไม่มีตัวเวทนาให้จิตเกิดดินดีจิน้ายมันก็ไม่เกิดตัญหาหรอกทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็เริ่มต้นที่ธรรมะทั้งสองข้อ ก็เกิดกระบวนการของศีลของธรรมะขึ้นมาทีนี้ตีต่างว่าเราไม่มีเจตนาที่จะงดเว้นในการละเมิดสิทธิในชีวิตของบุคคลอื่นอย่างอื่นมันก็ไม่มีเจตนาที่จะลบเวน้นงดเว้นหรอกในสุดศีลมันก็พังระเนระนาดไปยกตัวอย่างธรรมะข้ออีกเช่นตัวอย่างของกุศลกรรมบดอกุศลกรรมบด แต่ว่าการพูดตรงนี้มันเป็นการพูดอย่างปลูกต้นไม้คือหมายความามกว่าอาการปรากฏแก่สายตาที่โดดเด่นก็คือข้างบนของต้นไม้ส่วนบนของต้นไม้แต่ว่าการดำรงอยู่ของต้นไม้จนแตกกิ่งก้านสาขาออกไปในรูปแบบต่างๆนั้นในแง่ของความเป็นจริงแล้วมันก็มาจากรากของต้นไม้เหล่านั้น ตามปกติใครก็ไม่เห็นรากเดีถ้าไม่มีรากต้นไม้เหล่านั้นก็สัมแดงความเป็นลำต้นความเป็นจริงการการก้านดอกผลต่างๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าในกุศลกับบทมันจริงไปตัวรากเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ที่สมาธิคือปัญญาที่เห็นชอบตามความเป็นจริง คือการศึกษาชายหลักการของโยนิสมนัสิการคือใช้ปัญญาพิจารณาโดยแยบคายในสารทั้งหลายที่เราได้สัมสผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีระบบในการคิดคือคิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบในเรื่องนั้นๆสามารถโยงเหตุไปหาผลเชื่อมโยงผลไปหาเหตุได้ แล้วคนก็จะมองในรูปของการกูวบาควกกรรมเอาเอาขนาดย่อๆนะสั้นๆรับทินธรรมจันยานวันก่อนอ่านเรื่องรับมืเเกียนตอนท้ามารีวรานวากความัวอ่านเพื่อต้องการจะนำมาอ้างอิงเทียบเทียงต้นแบบของการรักษาความเป็นธรรมความยุติธรรม ของธรรมลิวราชว่าความตอนหนึ่งเนี่ยทศ ก, กันไปแก้ต่างว่าที่เทวดาไปรับสมอ้างกับคำของพระรามแล้วก็คำของนางสีดาว่าถึงความถูกต้องนั้นคนนี้ก็พวกเดียวกันก็เป็นมนุษย์ไปกันแล้วก็ยอมรักกันรูปร่างหน้าตาเขาก็สวยกว่า ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นรักเป็นมารคนก็ไม่ชอบแต่อย่าลืมมาท่าเทวดาโกหกหมายความม่าเทวดาก็มุสาวาดมุสาวาดก็ผิดศี่ข้อผิดสี่พระมริวราท่านจริ ง, งประเด็นนี้ว่าแต่การที่เทวดากล่าวเช่นนั้นนะ่ะ ถ้าเป็นการเพชรแล้วเขาไม่กลัวนรกหรอเขาไม่กลัวจะตุราบ่ายหรอือหมายความว่าเขาไม่กลัวาการเกิดในนรกเกิดเป็นเปรต เ, เกิดเป็นสารติละสารเกิดาาเป็นนสุรกายเลยก็ทําให้เราเห็นว่าเออวรรณคดีโบราณเนียเขาชีมมันจะ สัแดงออกซึ่งความมีคุณธรรมที่โดดเด่นถ้าในช่วงที่พูดถึงคุณธรรมในกลุ่มของคนดีในกรณีของคนดีๆเนี่ยจะแสดงเรื่องคุณธรรมออกมาให้เราเห็นและในขนาดเดียวกันนคือในช่วงที่ที่ไม่ดีก็ออกมาสามช่วงนะฮะออกมาสี่ช่วงทั้งหมดแต่ว่าช่วงไม่ดีนี่สามช่วง ช่วงดีก็มีอยู่ช่วงเดียวคือช่วงธรรมาริวาส ว, วาสเราเห็นว่าแต่และช่วงที่ไม่ดีเนี่ยมันก็อาการของกิเลสทั้งนั้นอาการของราคะอาการของโทสะอาการของโมหะอาการของรศษยาอาการของความหึงหวงอะไรต่อะไรทั้งนั้นตลอดระยะเวลา แล้วเราก็มาคิดๆดูเออมนุษย์เนี่ยนะปัญหาใหญ่ไม่ก็ อ, อยู่ที่ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้าเราเห็นชอบเนี่ยปัญหามันไม่ค่อยมีหรอกแต่พระใจเราไม่ได้เห็นชอบตามความเป็นจริงปัญหาที่ไม่น่าจะมีปัญหามันก็เกิดปัญหารุมรังวุ่นวายไปหมดเดือดร้อนกันไปหมด ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเราจะเป็นพระเราก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมโลกเราจะไม่ไปร้อนอะไรก็ตามแนหะแต่ว่าเรารู้สึกสลดใจรู้สึกสงสารว่าเอ๊ะทำไมนะต่างคนต่างก็แก่กันลงทุกวันแล้วก็จวนจะตายลงทุกวันเราหาใส่ร้ายปายสีโกหกพวกวิจิตรพุทธิริศนะ่ะ หมายความมาถ้าความเหตุเราชอบแล้วก็จบเพราะความเห็นชอบเนี่ยจะไม่รู้อานาจแกโลภะไม่รู้อานาจแก่พยาบาทเพราะเราจะเห็นว่าในมนโนสุจริตมันก็มีอยู่สามข้อตัวหลักเนี่ยตัวที่เป็นรากง่าวยิ่งให ญ, ใหญ่ข้างบนมันเป็นอาการเฉยๆหมายความถ้าข้างบนมีหรือเราจะมองมาจากข้างข้างปลายเลยก็ได้ก็ไม่ได้แปลกก็แบบมองปัจจยการนั่นแหละ หมายความว่าแต่การที่คนไม่ขาาสัตว์มันก็เกิดขึ้นมาจากใจที่โลกไม่จัดโกรธไม่จัดโง่งไม่จัดยิ่เลนไม่จัดเขาฆ่าไม่ได้อะมองมาจากข้างบนก็ได้ลัทรับก็เหมือนกันลัทับก็เหมือนกันกก น, น, นันแสดงให้เห็นถึงความคิดของคนว่า เราก็จริงในขนาดนั้นนี่จิตใจคุณถูกกุงด้วยกุศลเรื่องกุศลหลัถ้าความโลภมันเกิดและคุณก็กำกับได้ควบคุมได้ก็โลภพอสมควรให้ไปในทิศทางที่เหมาะที่ควรเราก็สามารถจะประกอบสัมมาชีพเลี้ยงชีพในทางที่ชอบได้ เกิดโกรธขึ้นมาเกิด จ, จนถึงกับพยาบามขึ้นมาก็อย่าถึงกันจะจองรักจองรานกันแต่ทั้งหมดมันเป็นอาการของจิตที่มีความผิดชอบตามทำหนองของธรรมคนมนุษย์เราเริ่มต้นได้ที่ทำหนองของธรรมเราก็กํากับควบคุมความพยาบาทไว้ได้ควบคุม ค, ความโลภไปได้ ว็คุมอย่างน้อยก็ตัวเองไม่ให้ไปประทุดร้ายต่อชีวิตของบุคคลอื่นไม่ให้ไปประทุดร้ายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นไม่ให้ประทุดร้ายต่อคู่ครองของบุคคลอื่นและอยากจะสื่อสารอยากจะติดต่อตกับใครก็ตามถ้าไม่พูดก็อย่าพูดเพราะว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบ วันท่าจะพูดก็พูดคำที่มันเป็นสัตว์เป็นจริงวันก่อนได้ยินว่ามีคนเขาพูดระดับครูบาอาจารย์มาเท่าไหรเนี่ยบอกว่าคนเราถ้าเปล่งวาจาพูดออกไปเนี่ยจะไม่ทุจริตเนี่ยเป็นไปไม่ได้โอ้โหมันคิดขึ้นมาได้ยังไงงคิดขึ้นมาได้ยังไง คีคนเราวังทีเนี่ยเอาเฉพาะคิดถต่หนาอย่าไปพูดแนตะ่มันเกิดสับสนในทางคมถ้ามันทำไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สอนหรอกแล้วเราลองทดลอว่าเราก็ทำได้คำผู้ส่วนให ญ, ญ่ก็ไม่เท็หรอกอย่าเปพระเท็เนี่ยอย่างถ้าว่าอาจจะพลาดไปบ้างยกข้อความแห่งธรรมะพลาดไปบ้าง แต่ก็ไอ้เรื่องเกตนาจะเพศเนี่ยไม่มีหรอกเพราะคนเราถ้าหากว่าไอ้จิตไม่ถูกกำกับรุนแรงด้วยความเห็นผิดก็แล้วกนันพ่อเดียวพอเราก็จะพูดแต่คำที่เป็นคำสัตย์คำจริงตามที่เราได้สัมผัสมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสปาร อย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นแต่มีข้อแม้ว่ามันเกิดประโยชน์อะไรหรือไม่ล่ะถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่จาเป็นจะต้องพูดพูดก็พูดเฉพาะที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็งดเว้นจากการพูดคำยุยงก่อให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานขึ้นภายในสังคมเห็นต่อมาความมาต้องระมรัดระวัง ต้องระมัดระวังการพูดบางครั้งเนี่ยมันเป็นการปลุกราวให้เกิดความแตกแยกคือบ้ากันตามความจริงเวลเนี้มาไม่ก้อเข้าใจสังคมของคนบางกลุ่มเเราสงสัยโดยเฉพาะระดับคนที่ที่มันน่าจะกำกับคูบคุมตัวเองได้แต่ทำไมมันกำกับผู้คุมไม่ได้ คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมไ้ํำไปทำให้็คือเครือแกคร่งสงสัยในความคิดของท่านแล้ท่านคิดอย่างไรก็กำลังพิมพ์เรื่องยุติธรรมอยู่ที่ไหนใครเห็นบ้างนะคิดคร่าวๆไว้อย่างนั้นคิดชื่อไว้ครา่าวๆอย่างนั้น แล้วก็จะเน้นที่เรื่องหลักมาเขียนโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือตอนท่ามาิีวราตว่าความเนี่ยจะเน้นมากเน้นวิธีคิดวิธีมองปัญหากระบวนการในการพิจารณาหลัดสิ่งที่ผิดที่ถูกของคนเนี่ยคนไทยเรารุ่นก่อนเนี่ยเขาจะพูดถึงท่ามาิีวราตว่าความเมือ่อถึงบทที่จะพูดถึง ผิดถึงถูกแล้วเนี่ยก็ต้องนึกถึงธรรมะลิวลาทุกิีก่อนปอบุญจินจะเข้ามาเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยปอบุญจินเพิ่งมานะฮะประมาณสนะักสี่สิบปีตอนนั้นเราก็มีธรรมะลิวลาแต่ตอนน่านมันเป็นเด็กเด็กพอ่าสี่แต่ก็จําได้เป็นท่านกับท่านกระแท่น ปัจจุบันนี้ก็หายากแล้วหนังสือนี่ยคเด็กไปที่ล็อกมาจากเขาสมุดแห่งชาติตเฉพาะตอนนั้นเราทำให้นึนกว่าเอหนังสือนี้แต่เรามีเวลานะฮะหามาอ่านให้ตลอดแล้วก็ติกๆเอาไว้จะเห็นกระบวนการทางความคิดของคนรุ่นราชการที่หนึ่ง การมองการคิดการตัดสินปัญหาแน่นอนแหละเรื่องรามายณะและเรื่องรามเกียรติเป็นเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากประวัติศาสตร์แต่มันใล้ๆปลอมพงสาวดานมาขยายซะเยอะเลยวันตัวจริงๆก็คือความคิดอ่านของท่านในยุคนั้น แต่ก็สองร้อกว่าปีแล้วนะฮะส้วกว่าปีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแต่เราก็สรุปแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยแต่ละขณะที่ท่านแป่งเนี่ยแต่ละตอนตสารตอนแรกท่านก็สวมบทสวมบทไม่ทันเป็นเป็นเองเรอสวมบทของตัวละครนั้นๆแล้วก็แสดงไปตามข่าวเรื่องที่ท่านพูดเอาไว้ ซึ่งตัวตรงนวยการเกิดเรื่องต่อทุกทีนะฮะแต่ตอนท้ามารีวราที่จริงก็เกิดเรื่องต่อแต่ท้า้ามารีวระท่านไม่กลัวท่านพิทักษแต่ความเป็นธรรมท่านไม่สนใจว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านเราเห็นว่าในการภายหลังทศกณัณฐก็เตรียมที่จะยกกองทัพไปกี้ท่านจะทํำลายท่าน เรื่องบรรยายเป็นยังไงก็ยังไม่เคยอ่านนะนี่ก็คือเราจะเห็นว่าความหินชอบตารรมทํานองของธรรมเนี่ยแม้แม้เรางองลึกไปถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษซึ่งเป็นผลที่เราจะต้องได้รับตอบสนองแน่นอนถ้าหากว่าเราทุจริตหรือสุจริตเพราะน่นมื่พอเราเริ่มต้นจากมนุษย์สุจริต กายก็สุจริตตามวาจาก็สุจริตคืออย่าลืมาการพูดดูยงให้เกิดความแตกแยกเนี่ยมีต่างว่าเขาเขาแตกแยกกันจริงตามที่เราดูยงก็อาจจะหัวร้างข้างแตกอะไรอะไรไปบ้างไง น, นะแต่ว่าเราเองจะพบพาบาสนั้นไปไปสู่นระกที่พระเจ้าทรงชัยเข้ามา ม้วนเหนียวไปสู่นรกได้เพราะว่าการที่เราทําพูดสุดทุดริษเนี่ยทุกข้อมันก็นําไปสู่นรกได้แต่พอเราเปลี่ยนจิตเป็นสัมมาทิฏฐิเป็น ท, ทีเดียวกระบองการเหล่านั้นก็ล่มทลายก็ลกลายเป็นกระบวนการแห่งกุศล ส, สุดริษณ์จากปลายทั้งคนเลยรากงาลลึกๆเลย แล้วก็พูดคำที่เป็นการส่งเสริมสามัคคีรเราเห็นว่าการพูดคำที่ส่งเสริมสามัคคีประสานสามัคคีกระชับสามัคคีเรามีความรักในตัวสามัคคีเรามีความรู้ในคุ ณ, ค, ณค่าของความสามัคคีและเรามีความเมตตาหวังดีต่อคนที่เราพูดด้วยนั่งสองฝ่ายนั่นแหละ ใจมันเป็นกุศลทั้งหมดมันมันเล่นไปตามกระแสของกุศลทั้งหมดวันได้แสดงไม่ว่าความพร้อมเพรียงของคนที่อยู่เป็นหมู่เนี่ยยังความจเจริญให้สำเร็จแล้วเกิดความจเจริญขึ้นมา่อนสมันตี้เรียกร้องนันแพ้ตายนะครับบ้านเราเนี่ย แล้วก็จริงมันก็ไปไมันก็ได้นั้นเพราะอะไรเพราะว่าความเห็นเรายัางไม่ยุติด้วยทํานองครองธรรมงันมันไมเ่เดินไปตามทํานองครองธรรมรวนี้มันก็ขับเคลื่อนไปไม่ได้อนมันมาคาาบูชาเนี่ยได้ เรียบเรียงหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งทีว่าสองวุธพุทธศาสตร์ไอ้อตอนการเรียบเรียงตอนหนึ่งเนี่ยมันนึกอะไรขึ้นมามาดูมันออกมาเป็นกลอนสองบทใหญ่เราพูดถึงวันมาคบอุชาก็าพูดถึงเรื่องมานในฉัน ส, สร้างรันสามกีแต่ว่า ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจเอาจริงเอาจังต่ตอนสอนมหาวิทยาลัยใหม่ๆก็สอนวัฒนกดรีไทยนะภาษาไทยหละวัสกรณ์ไทยอะไรวนเราก็ล้ว ก, ก็คล่องสามารถที่จะเขียนตัวอย่างในกระดานโดยไม่ต้องดูหนังสือเราเราทำได้แต่ว่าทิ้งมานานแล้วก็ลืมตอนนั้นมา น, นึกอะไรเกินมาเิดก็เขียนเกิเป็นปลอด เราพอดีก็ได้จังหวะตรงนี้พอดีนะฮะเราก็ลงพูดเรื่องสมานสามคัคคีเรื่องสมานฉันกันอยู่นี่ก็อยากจะอ่านให้ฟังอเอาไว้ตัวจับอเอาใจความนะสมานฉันสรรสร้างสามคัคคีหัวข้อใหญ่ต่อไปก็บอกว่าตะโกนกรอกร้องหาสมานชัน รือสร้างสรรสามัคคีที่มุ่งหวังความเป็นเราเป็นเขาของเรานั้นเป็นการหันหลังหาสามคัคคีสามัคคีแม้จะมีเป็นเราเขาแต่คนเราต้องเคารพซึ่งศักดิ์ศรีคือยอมรับนับถือเท่าที่มีชีวิตนี้และทรัพย์สินไม่มีแคลน อีกคู่ครองของใครใจนับถือวันนี้คือคู่ครองของหววแหนยงยามสื่อสารอย่าดูเบาเอาแก่นแก่นต้องหนักแน่นความจริงสิ่งเป็นธรรมที่สำคัญคือประโยชน์โสดที่ผลย่อมเกิดผลแก่คนฟังอย่างสร้างสารรค์ที่สำคัญคือจิตเป็นมิตกัน การบมั่นเสรีภาพไม่หยาบคายเมตตากายวาจาและน้ำใจอัตยาิยสัยไมยตรีมีมากหลายมีระเบียบมีวินัยใจสบายความเห็นให้เกิดมียุติธรรมยุติธรรมเที่ยงธรรมนำสมัครให้เกิดรักสามัคคีสมานสัน์ สมานฉันสมคีไม่มีการเพราะขาดขวัญคือยุติธรรมช่วยนำทางสมานฉันสามาธมีนีพผ่องแพ้วหากมีแล้วยุติธรรมไม่พลันห่างอายุติธรรมคืออคติมิชัยทางติสันสร้างสมานฉันกันชั่วการแล้โกนไปใครจะฟังคำท่านเล่า เราคูกคราวอคติที่ล้างพลานให้ความรักสามัคคีมีได้นานต้องประสานยุติธรรมเครื่องนำทางสามัคคีสมานฉัน์ควรสันสร้างแต่เส้นทางต้องดีมิขัดขวางเพราะต่างคนต่างคิดอิตก็ต่างไม่ไกลห่างคือรักสุขเวดทุกข์กัน ทุกๆคนต้องคิดอิสันสร้างใจอย่าห่างยุติธรรมนำสู่ขวัญแนนเมตตาไมตรีประนีกอย่ะไว้วันสามัคคีมีมาเองหรือต้องการจะบอกว่ามันเริ่มต้นที่ยุติธรรมให้ได้สิแล้วยุติธรรมมาแล้วยังอื่นมันก็มานับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนะัะมันก็มาเป็นแถวมาล ปัญหาสำคัญว่าความขัดแย้งทั้งหลายในโลกมนุษย์เนี่ยมันคือความอายุติธรรมพฤติกรรมที่เป็นอยุติธรรมต่อกันบางคราวางคราก็ต่อสู้กันอย่างรุนแรงต่อสู้กันอย่างรุนแรงในประเทศต่างๆโดยประวัติศาสต ร, ร์ในฝรั่งเศสขนาดราชวงศ์กุกัดคอด้วยกิโยตินทีเดียวประเทศจีนจะเห็นว่ามึงวีแรงด้วยประวัติศาสต ร, ร์ รัเซียก็แรงอะไรก็แรงแมแต่ของไทยเรานี่มันไม่แรงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าไทยเรายังไงก็กลัวบาปกรรมอยู่หรือไม่กล้ากระทำอะไรที่เป็นบาปเป็นกรรมที่รุนแรงที่ตัวเองจะต้องชดใช้เพราะฉ้เราจะเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ความเห็นชอบได้เรื่องที่นามาพูดก็จะเป็นสาระแก่นสารเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง มันไม่ใช่ว่าทําอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งไอ้อย่างนี้ยังไงมันก็ไปรอดรเพราะกระบวนการของปฏิกิริยามันจึงเป็นกระบวนการที่มันมีทุกเรื่องนันะหมายความมาธาตต้นเหตุมันเริ่มต้นทิศดีแล้วไอ้ความดีมันจะตามมาเป็นแถวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีนี้ยกยกตัวอย่างว่า หน้าที่ของพระกับชาวบ้านเนี่ยคือตามปกติมันไม่ใช่ญาติโกโหติกาอะไรกันแต่ก็รู้จักกันในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทมีพระศ า, าสดารงเดียวกันแน่นอนส่วนหนึ่งคือบ้านนอกเนี่ยต่างจังหวัดพระสมภารแถวนั้นก็คือลูกหลานของญาติโยมแถวนั้นแหละ หมายความ่าส่วนหนึ่งเขารู้จักกันมาก่อนแต่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นเช่นนั้นอย่างพระที่ในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่กับญาติโยบในกรุงเทพเนี่ยไม่เค้ารู้จักกันหรอกรพระส่วนมากแล้จะมาจากต่างจังหวัดก็เริ่มต้นจากการไม่รู้จักใครหรอกแล้วค่อยรู้จักกันมากขึ้น มีการพบมีการเห็นอะไรกันมากขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าพระตาบใดที่พระยังปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านคือการศึกษาการปฏิบัติการได้รับผลจากการปฏิบัติแล้วก็ทำหน้าที่สงเคราะห์ชาวบ้านโดยน้ำใจทีง่งดงามด้วยแนะนำให้ของงดเว้นความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดี สงเคราะห์ดูวน้ำใจที่งดงามไม่ใช่ทำในลักษณะอ่ อ, อยเยือตกเบ็ดแต่ทำด้วยความมุ่งดีปรารถนานดีและในขณะเดียวกันก็ให้เขาได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วแจิมแจ้ ง, จงบอกทางสวรรค์ให้มาความมาพระก็กลายเป็นเหตุเกิด รือว่าพระที่ปฏิบัติตามหลักสังฆคุณที่จริงตอนปฏิบัติก็ตามหลักสังฆคุณนั่นแหละคือปฏิบัติดีปฏิบัติโลกปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรท่านเหล่านี้ย่อมอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ควรของคํานับเป็นผู้ควรของตรอนรับเป็นผู้ควรของการทําบุญเป็นผู้ควรแก่การอัญเชิญและก็เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่า อันนี้เป็นสูตรพอพอถึงจุดหนึ่งชาวบ้านก็จะแสดงออกมาทางเมตตาต่อท่านแสดงออกทางกายทางทางการพูดทางการทำํำทางการคิดจะพูดอะไรเกี่ยวกับพระก็พูดด้วยเมตตาจะทําอะไรเกี่ยวกับพระก็ทำด้วยเมตตาจะคิดอะไรที่เกี่ยวกับพระก็คิดด้วยเมตตาแล้วเมื่อท่านมาสู่บ้านเขาตัวเองก็ยินดีที่จะท่านุบบำรุง ตามกำลังความสามารถเรามีจตุปใจใัจจัยทยธรรมมากพอปรารถนาจะทำบุญก็ไปทำบุญแก่ท่านทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติตงควรพระพระไม่ทำละ่ะไอปฏิกิริยาที่จะตอบสนองจากชาวบ้านเนี่ยก็จะไม่เกิด แต่แบบนี้คือกระบินการเดียวกันกระบินการว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดอย่างการที่เป็นคนดูแลเอาใจใส่วัดว า, ารามเคยพบที่จังหวัดนครนายกที่วัดอุดมธา น, นีก็นา น, นแล้วนะฮะเราประมาณสักสี่สิบกว่าปีมานะ่ะ ก็ประมาณสามสิบกว่าปีนะะคือเป็นวัดที่แปลกเป็นวัดที่ครอบครัวเดียวเขาสร้างขึ้นแล้วเ้าก็อุทิศที่นาถวายให้เป็นสมบัติที่เก็บผลประโยชน์ทนุบำรุงวัดเป็นพันๆไร่นะแล้วก็จาก บ, บรรดุษมาแล้วก็ต่อมาจนถึงลูกหลานเหลน ตอนไปพบนี่เราว่าปรากฏว่าคนสามชั้นมาทำมาดูแลวัดไปกันไน่หมายความรุ่นปู่รุ่นพ่อและรุ่นลูกในขณะเดียวกันรุ่นหลานทงอยังเด็กๆนี่ก็ตามมาด้วยเราแสดงว่าสี่ชั้นคนเวลานี้วัด น, นี้จริญรุ่งเรืองขึ้นไปเยอะเป็นวัดเจ้าขณะจังหวัด เราก็จะเห็นว่ามันเป็นกิริยาปฏิกิริยาที่อาศัยกระบวนการของเหตุปัจจัยพระเองก็ไม่มีปัญหาโยมเองก็ไม่มีปัญหาต่อกันมาได้ต่อเปเชื้อสายของคนคือแม้แต่การเป็นศาสนิ ก, กชนของเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นศาสนิกในศาสนาอะไรก็ตาม การตัดใจนับถือาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งของคนในโลกนี้ส่วนมากก็จะสืบต่อมาจากบารรพบุรุษือสืบต่อมาจากครอบครัวก็แสดงว่านับถือตางๆกันมาคนรุ่นพ่อแม่เิดศึกษาสอบทานเทียบเคียงเห็นความดีงาม เราก็แนะนำทางสอนลูกลูกก็รับไปศึกษาปฏิบัติตามได้รับผลก็ต่อตอกันไปอย่างเงี้ยเมันเราสามารถสืบต่อพระพุทธศาสนามาได้เป็นสองพันกรอยว่าปีเนี่ยเราก็แสดงว่าก็เป็นกระบวนการของปัจจัยการที่มีจุดเริ่มต้นที่ดีจะในขณะเดียวกันศาสนาในหลายๆประเทศที่มันหายไป เสื่อมไปจนถึงกับบางประเทศทหมดสิ้นไปก็มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมมันก็ออกจากทํานองคลองธรรมมันก็ไปก็มันอีกเรื่องหนึเพราะน้นเรามองเราเข้าใจในกระบวนการของปัจจัยาการในความขัดแย้งปัญหาต่างๆเนี่ย มันจะไม่เกิดขึ้นเพื่งฟังลองสังเกตว่าในกรณีนี้มันมีข่าวที่เกี่ยวกับอะไรจะมีท่านผู้หนึ่งรู้สึกว่าคุณชื่อระยุทธอะไรเนี่ยจะยกร่างกฎหมายขึ้นก็ยังไม่ได้อ่านอะไรกันเท่าไหร่แล้วก็พูดกันจนเล่มหมดแล้วเขาจะไม่ได้เผยแพร่มันเป็นการคุยกันในหมู่พวกของตัวเองแล้วก็คุย <Okay. S 1> ในเชิงสมมติฐาน แต่เราก็ต้องมองความจริงว่าประเทศไทยเวลาเกิดขัดแยง้งแรงๆจนถึงก้ามันสับสนแบบวินัยของพระเนี่ยวินัยของพระพอเกิดปัญหาสับสนขึ้นมามันมีวิธีการอย่างหนึ่งพระเจ้าเรียกว่าดินาวัตถารกาวินยัยคือหมายความมาเป็นการประนีประนอมยอมความยุติความผิดพลาดทั้งหลายในส่วนที่เป็นบาปก็คงเป็นของคนนั้นอยู่ต่อไป แต่ว่าส่วนที่เป็นปัญหาในด้านพระวินัยก็ถือว่าเลิกแล้วต่อันเลจากจุด น, นี้เพราะเราการประีประนอมป็นอย่างเงี้ยมันก็เริ่มนับหนึ่งกันใหม่ได้เพราะในแวดวงของทหารเราลองสังเกตว่าทหารปฏิวัติรัฐประหารมากี่ครั้งแล้วเขานิรโทษ ก, กรรมให้พวกตัวเองทุกทีเลย แล้วไถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นระบบของน้องข้าพี่พี่ข้าน้องนะฮะของพี่ข้าน้องนน้องข้าพี่พวกนี้ลึกๆเขาก็ผูกโยกกันเสร็จแล้วเขาก็ให้อภัยต่อกันเห็นไหมพวกเมษาฮาวายะอะไรอะไรก็ อ, อภัยกันทั้งนั้นแหละพอมาถึงเรื่องของนักการเมืองมาเองอย่างมองว่าเป็นพยาคติคือเป็นความกลัว พอถ้าเราดูให้ดีมันก็ด้วยงองความกลัวหมายความว่าถ้าคนอีกเท่าไรแต่ร้อยสิบเจ็ดกัร้อยสิบเก้าอะไรนะทีท่ีมันอยู่ในโกรงขังห้าปีเนี่ยออกมาคนเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นคนคุณภาพเป็นคนมีผลงานดีเด่นแล้วก็นึกถึงว่าภาคสนาม ว, ว่าคนพวกนี้ก็จะไปเข้าในเขตยิงพื้นที่เขตแต่สองร้อยกว่าเขต ก็ทมให้คนอื่นที่เป็นอยู่ในนียไม่ได้รับการเลือกตั้งมันก็คือความกลัวเลยก็ตะโกนเสียงดังทงั้งๆที่ว่าเรื่องยังยังไม่เป็นเรื่องอะไรคนเรามันไม่มีทางหรอกที่จะทะเลาะกันยืดเดือยยาวนานมาถึงจุดหนึ่งต้องประนีประนอมแล้วกรณีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทำไมเราหาข้อยุติีแก่บ้านเมืองได้ล่ะนั่นก็คือการประนีประนอม การประสานประโยชน์กันบทเรียนในประเทศทอยนี่เยอะแยะไปหมดเลยในเจิาปีเจ็สิหกปีมาเนี้ยนะเรามีเยอยะแยะวพราที่กลายเป็นความขัดแย้งในที่สุดนี่เป็นตราบาปของแผ่นดินยกตัวอย่างอาจารย์ปีดีอาจารย์ปีดีทุกวันยิ่งขาวขึ้นขาวขึ้นมีรัศมีแล้วเวแล้วเนี่ยนะ เป็นรัฐบุรุษอาวุโสคนเดียวในประเทศไทยที่ถึงโอกาสหนึ่งเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็จะสร้างโลสาวรีให้แต่ว่าตอนที่ท่านมีชีวิตท่านก่อเราหกเราเหินแล้วก็มีปัญหาอะไรยเยอะเละที่ถูกรล่าวหาให้ร้ายป้ายสีโดยที่มีโอกาสชี้แจงนั่นคือจิตที่ตั้งไว้ผิดแล้วมันลากปัญหาก็สู่สังคมก็สู่ความแตกแยกของชาติบ้านเมือง เันทั้งหมดมันก็อยู่ในกระบวนการของปัจเจกการหรือของปฏิจจสมบัติดังนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมาแล้วพอทรงดึงมาให้เห็นว่าการเกิดของปัญหาทั้งหลายเนี่ยเพราะมันมีวิชาเป็นปจัจจัยถ้าวิชาไม่มีเนี่ยสังานารก็ไม่มีอ่ะต้องฟังทั้งหลาย เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขออุติไว้ด้วยเวลาทุกท่านนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง อ, อกงามไปบูรณในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี